ตลอ่อนท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจขุสมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราสร้างความสุขใจให้มาดับความทุกข์ใจกันเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายเรา มีความสุขทางร่างกายเต็มที่แล้วคือถ้าร่างกายมีอาหารรับประทานมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มก็ถือว่าความสุขทางร่างกายนี้สมบูรณ์แล้วไม่ต้องทำมากไปกว่า น, นี้เพราะ ความสุขของทางร่างกายก็จะมีเพียงเท่านี้ไม่ว่าเราจะมีบ้านกี่หลังมีเสื้อผ้ากี่ตู้มีอาหารรับประทานมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ร่างกายจะสามารถรองรับความสุขทางร่างกายได้เท่าที่ร่างกายจะรับได้ก็คือ เสื้อผ้าพอสวมใส่อาหารพอให้ร่างกายไม่หิวไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยารักษาโรคมีไว้รักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่อาศัยก็มีไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเท่านั้นถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไม่ว่าจะ มีราคามากหรือมีราคาน้อยผลก็เท่ากันคือความสุขทางร่างกายเท่ากันอยู่บ้านราคาสิบล้านกับเช่าบ้านเขาอยู่เดือนละสองสามพันความสุขทางร่างกายก็เท่ากันเพราะบ้านได้ทาหน้าที่ของบ้านแล้วคือเป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นที่หลบภัยต่างๆ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องเสียเงินเสียทองสร้างความสุขทางร่างกายให้มากเกินความสามารถของร่างกายที่จะรองรับได้อาหารมื้อละ50าสิบร้อยบาทก็ทำหน้าที่เหมือนกับอาหารมื้อละห้าร้อยหนึ่งพันบาทคือรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขได้ ไม่เจ็บไข้ด้วยป่วยเสื้อผ้ามีอยู่สองสามชุดชุดละสองสาร้อยก็ทําหน้าที่ของเสื้อผ้าคือให้ร่างกายมีเครื่องนุ่งห่มเพื่อจะได้ปกปิดอวัยวะเพื่อป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยและป้องกันอากาศหนาวเย็นนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้า จะเป็นเสื้อผ้าชุดละสองร้อยสรอเรื่อชุดละสองพันสาพันก็ทำหน้าที่เหมือนกันความสุขทางร่างกายได้เท่ากันจึงไม่ควรที่จะเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเพราะการเสียเงินเสียทองนี้จะทําให้เราต้องหาเงินหาทองกันเมื่อเราต้องหาเงินหาทองเราก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาสร้างความสุขทางใจดับความทุกข์ทางใจที่มีมีความสามารถที่จะสร้างได้มากกว่าความสุขความของทางร่างกายเป็นหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันความสุขใจนี้ถ้าเปรียบเทียบปริมาณที่เราจะใส่เข้าไปนี้ก็เหมือนกับตุ่มน้า ส่วนความสุขทางร่างกายก็เหมือนแก้วน้ําความสุขทางร่างกายก็ขนาดแก้วน้ําและความสุขทางใจนี้ขนาดตุ่มน้าแต่พวกเราไม่ค่อยมีเวลามาเติมความสุขทางใจกันเพราะถูกความหลงหลอกให้ไปเติมความสุขทางร่างกายไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อของม ให้ร่างกายซื้อเสื้อผ้าเต็มปีหลายตู้มีรองเท้ามีกระเป๋ามีอะไรต่าอะไรมากมายกายกองซื้ออาหารราคาแพงๆมารับประทานซื้อบ้านราคาแพงๆมาอยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคไปรักษาโรคตามโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆ อยู่โรงพยาบาลไหนถ้าถึงเวลาจะตายมันก็ตายเหมือนกันตายแบบเงินล้านหรือตายแบบเงินพันเท่านั้นเองถ้าไปรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลก็เสียแค่30บบาทก็ตายเหมือนกันถ้าไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ตายเหมือนกันร่างกายเมื่อมันถึงเวลาที่มันจะตาย เราให้ไปรักษาที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันและไม่มีใครไม่ตายไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายด้วยกันทุกคน <c oughs> เราจึงไม่ควรที่จะมาเสียเวลากับการสร้างความสุขทางร่างกายด้วยการใช้เงินใช้ทองเป็นจํานวนมากเพราะความสุขทางร่างกายจะได้เหมือนกัน รักษา30บาทกับรักษาส0มื่นบาทเวลามันหายมันก็หายเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าเราอย่าไปหลงไหลกับการดูแลรักษาร่างกายให้มากจนเกินไปรักษาดูแลให้มันอยู่ได้ไปก็พอแล้วให้มารักษาใจดีกว่าให้มาสร้างความสุขใจ มาดับความทุกข์ใจดีกว่าเพราะปริมาณของความสุขใจนี้เปรียบเหมือนน้ำในตุน่เราสามารถเติมได้อย่างมากมายแล้วเวลาเราเติมเข้าไปได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วความทุกข์ใจก็จะน้อยลงไปพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรา ให้ความสำคัญแก่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะจิตใจเป็นของไม่ตายความสุขความทุกข์ของใจติดไปกับใจส่วนความสุขความทุกข์ของร่างกายติดไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็หมดไป <อ section. S 1> แต่ความสุขความทุกข์ทางใจนี้ไม่หมดไปกับร่างกาย ถ้าเราดูแลร่างกายเราก็จะมีความสุขใจมากมีความทุกข์ใจน้อยถ้าเราไม่ดูแลใจไม่สร้างความสุขให้กับใจเราก็จะมีความสุขใจน้อยและมีความทุกข์ใจมากดังนั้นเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขทางร่างกายกัน มาหาความสุขทางใจกันแทนที่จะซื้อบ้านราคาหลายล้านซื้อบ้านราคาหลายแสนก็พอแล้วเอาเงินล้านนี้มาทำบุญดีกว่าเวลาทำบุญแล้วจะได้ความสุขมากกว่าอยู่บ้านราคาหลายหลายล้านด้วยกันความสุขใจนี้เป็นความสุขที่เหนือความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้ จากการได้เงินได้ทองได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรต่างๆมาแต่ความสุขใจนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันความสุขทางทางใจมีสามระดับคือระดับทานระดับศีลและระดับภาวนาระดับทานก็เหมือนตักตักน้ำทีละช้อนใส่เข้าไปในตู้ ระดับศีลก็เหมือนตักน้ำทีละแก้วระดับภาวนาก็เหมือนกับตั ก, ตกน้ำทีละขันปริมาณความสุขนี้มีความแตกต่างกันทำทานอย่างญาญโยมันนี้นำเอากับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวานมานี่ญาญโยก็จะได้ความสุขใจในระดับช้อนตักช้อนตักความสุขเข้าไปทีละช้อนสองช้อน ถ้าเรามารักษาสีนได้เราก็จะได้ความสุขระดับแก้วตักน้ำเป็นแก้วมากกว่าช้อนแล้วถ้ามาภาวนามาทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขระดับขันตักน้ำทีละขันถ้าตักบ่อยๆน้ำก็จะเต็มตูนเร็วขึ้นถ้าใช้ช้อนตักมันก็ต้องตักไปเท่าไหร่มันก็จะไม่เต็มเพราะน้ำมันจะระเหยไป รักษาศีลก็ยังไม่พอถ้าอยากจะให้น้ําเต็มตุ่มอยากให้มีความสุขเต็มเปี่ยมในภายภายในหัวใจจะต้องตัดความสุขแบบการภาวนาการภาวนานี้ก็มีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสามถภ า, าวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาขั้นแรกนี้เป็นการ ตัดความสุขที่จะอยู่ได้ชั่วคราวเวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะมีความสุขแต่พอเราออกมาจากสมาธิมาเห็นนั่นเห็นนี่มาได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้มาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอ เ, เกิดความอยากความอยากนี้ก็จะไปทำลายความสุขที่ได้จากความสงมบ ถ้าเราอยากจะให้ความสุขที่เราได้จากความสงบจากการนั่งสมาธิอยู่ไปหลังจากที่เราออกมาจากสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญามารักษามาทำลายความอยากที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบเช่นพอเราออกจากสมาธิมาพออยากจะไปดูอยากจะไปฟัง เราก็ต้องสอนใจว่าการดูการฟังตามความอยากนี้จะทำให้ความสงบนี้หายไปแล้วความสุขที่ได้จากการดูจากการฟังก็จะเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเหมือนควันไฟเวลาได้ดูได้ฟังก็จะมีความสุขแต่พอไม่ได้ดูแล้วความสุขนั้นก็หายไป แล้วถ้าเวลามีความอยากจะดูอยากจะฟังแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังความสุขก็จะไม่เกิดแต่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่เราควรจะหาความสุขกันเราควรจะหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบแล้วเมื่อใจสงบแล้วก็รักษาความสงบด้วยการไม่ไปทำความอยากถ้าเราไม่ไปทำตามความอยาก ความสงบก็จะอยู่กับใจเราต่อไปแล้วถ้าเราไม่ทำตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดไปเมื่อความอยากหมดไปจากใจแล้วใจก็จะสงบไปตลอดเวลาจะไม่ต้องดิ้นลนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับตนอย่างพวกเรานี่เราหาความหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราตั้งแต่เกิดมา จนถึงวันนี้แล้วความสุขต่างๆที่เราได้รับจากการได้สิ่งต่างๆมานี้หายไปไหนหมดแล้วมันมาอยู่เดียวๆแล้วมันก็หายไปเราจึงต้องหายอยู่เรื่อยๆแล้วยิ่งหาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่พอต้องหายอยู่เรื่อยเพราะการทำตามความอยากนี้จะไม่ทำให้ความอยากหายไปแต่จะต่ออายุของความอยาก ให้มีเพิ่มมากขึ้นเราจึงต้องอยากกันอยู่เรื่อยๆอยากเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ความอยากก็ไม่หายไปวิธีที่จะทำให้ความอยากหายไปก็คือมาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะมีกำลังต่อสู้กับความอยากเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปทำตามความอยาก เพราะทำแล้วจะต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อย่าไปริสูบบุหรี่เพราะถ้าสูบแล้วจะต้องสูบไปเรื่อยๆเพราะมันจะมีความอยากสูบไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับการดื่มสุรายาเมาหรือการเที่ยวเตรหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าเราไปทำแล้วมันจะติดมันจะอยากไปเรื่อยๆ อยากแล้วเราก็ต้องทำเวลาที่เราไม่ได้ทำเราก็จะทุกข์เพราะบางทีเงินเราไม่มีบางทีเราไม่สบายเราไม่สามารถไปทำตามความอยากได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้ติดการกระทำต่างๆเช่นเราไม่ติดบุรีเราไม่ติดสุราเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่มีสุราหรือไม่มีบุรี เพราะว่าเราไม่ติดเราไม่สุขก็ได้เราไม่เดิมสุราก็ได้นี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือพวกเราไม่รู้ว่าเราถูกความหลงหลอกให้เราไปติดกับสิ่งต่างๆด้วยความอยากคิดว่าทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่ความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดียวเดียว แต่เวลาไม่ได้ทำตามความอยากนี้มันทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากจะสู่ภูรีอยากจะดด่มสุราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราจะอยู่บ้านได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่ต้องเสียเงินเสียทองที่ทวันนี้เราทามาหากินหาเงินหาทองนี้ ส่วนหนึ่งก็หามาเพื่อเลี้ยงความอยากของเรามาตอบสนองความอยากของเราที่มีแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราตอบสนองความอยากถ้าเราอยากจะให้ความอยากมันหมดไปเราต้องอยากไปทําตามความอยากแต่ถ้าเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจเราจะฝืนความอยากไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้ แต่ถ้าเรามาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เวลาเกิดความอยากเราสามารถฝืนได้เพราะเรามีความสุขอยู่ในใจถ้าเราไม่มีความสุขอยู่ในใจเราก็ต้องพึ่งความสุขภายนอกเช่นพึ่งความสุขจากการสูบบุหรี่จากการดื่มสุราจากการไปเที่ยวจากการไปซื้อของฟุ่มเฟืยต่างๆแต่ถ้าเรามีความสุข ที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะเลิกมหนุนสุราได้เลิกสุบุรีได้เลิกเที่ยวเตรได้เลิกซื้อของฟุ้งเวยต่างๆได้คนที่เลิกได้เขาก็ไปบวชได้เขาไปปฏิบัติธรรมได้เขาสามารถที่จะตักน้ำตักความสุขให้เต็มหัวใจได้เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวลกทั้งหลายหลังจากที่ท่านเห็นโทษของความอยาก และท่านสามารถสร้างความสงบให้แก่ใจได้ท่านก็เลิอกอยู่แบบคาวาดได้ไม่ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิก้นกายไม่ต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญท่านไปอยู่บวชเป็นพระปฏิบัติตักความสุขทางใจดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้หมดเลย เช่นต่อไปร่างกายของพวเราก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายใจของเราก็จะทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายถ้าเราไม่มีความสงบถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเพราะใจของเราจะเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์อยากไม่แก่แต่ก็ต้องแก่ อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายก็ต้องตายเวลานั้นก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจมีความสงบมีปัญญาคอยสอนใจให้ฝืนความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรจะแก่เราก็สุดจะทุกข์เราก็สุดจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สุดจะตายเราก็สุดเพราะเรามีบุญทางใจมีความสงบทางใจนี่เองนี่แหละบุญจึงเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราที่พวกพ่อพระพเจ้าสอนให้พวกเรามาทำบุญกันเพื่อเราจะได้มีที่พึ่งทางใจ เวลาที่เก <can the peso again> ิดความทุกข์ทางร่างกายเวลาที่เราเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายเกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปใจของเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะมีธรรมะมีบุญคอยยับยั้งความอยากต่างๆเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะทุกข์เพราะอะไร เพราะเราไม่อยากเสียเราอยากให้มันกลับมาอยู่กับเราแต่ของที่มันจากเราไปแล้วเราจะไปเรียกมันกลับมาได้อย่างไรแต่เราจะไม่ต้องทุกข์กับมันถ้าเรามีความสุขภายในใจเราก็จะหยุดเรียกร้องสิ่งที่เราสูญเสียไปได้เสียไปก็เสียไปไม่เป็นไรเรายังมีความสุขได้เพราะเราไม่ต้องพึ่งอะไรให้ความสุขกับเรา ก็เรามีบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขกับเรานั่นเองดังนั้นเราจึงควรมาสร้างความสุขทางใจกันให้มากๆด้วยการาลดละการสร้างความสุขทางร่างกายอย่าไปเสียเวลาหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อสิ่งต่างๆมาบำุงบำเลอรร่างกายหรือบำุงบำเลอความอยากาะมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเรา ที่พึ่งของเราอยู่ที่การมาทำบุญทำทานมารักษาศีลและมาภาวนาถ้าเรามารักษาศีลได้มาภาวนาได้มาทำทานได้ใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนต่อไปเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อน นี่แหละคือหน้าที่ของพวกเรานี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมาอย่างนี้ได้ทรงสร้างความสุขทางใจให้เต็นเปลี่ยมอยู่ภายในหัวใจและเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของความสุขใจนี้จึงได้นำเอามาสอนพวกเราให้เราปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติได้ เราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาสิงด้วยการภาวนานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขใจและความดุกดับทุกใจที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบันเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขภาพพรโดยทั่วหน้ากันเธอ